อาทิตต่ออีกวันทุกวันมันก็เต็มดรอกคิกก็เต็มภูมิเองหรอกบ่อยๆคิดเต็มภูมิทำไม่ทำมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นถ้าทำได้แล้วกับน้ำนั่นแหละเต็มแก้วนั่นแหละใจเมื่อไรมันก็ล้นออกอยู่อย่างนั้นเป็นเองของมันสามารถที่เอาไปเอามาชรนิชำนาญแล้วรลับตาไมห่หลับตาไม่ไล้ทำพิธีรีตองอะไร พ อ, อกำหนดสติปั๊บยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าไทยทำชำนาญแล้วออกทางอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้หรอกเดินนั่งนอนอยู่กำหนดสติปั๊บก็ความว่างก็เกิดขึ้นอาทิวันออกจากเวลานอนหลับเราจึงไม่เห็นห้องแช่ธรรงานชำนาญแล้วติดเราไม่หนีไปไหนหรอกเหมือนกับลิงนั้นนะเรื่องแล้วมันติดกับเราแล้ว เจ้าของหลงบ้านไปไหนมันก็ร้องอยากวิ่งตามไปจิตของเราก็เหมือนกันจะออกหนีจากใจหรอกกับใจก็เป็นอันเดียวกันอยู่ตลอดนี่ก็อยู่เราไปไหนมันก็สมาธิก็เป็นไปตามเราอยู่นั่นอ้าทำํทำทานานแล้วนะไปเห็นอะไรก็ให้เดินปัญญาได้ตลอดอันนี้ผู้เท่เาสมาธิออกสมาธิเหมือนแต่เก่ากว่าสามารธ สมถะเต็มภูมิวัดทําจนชำนิชนํำนาญนี่ประเดินปัญญาเท่านั้นสติกับกจิตนั่นนะสติกับกจิตสติกับลมหายใจนั่นนะอย่าให้มันหนีออกจากกันให้แนบสนิท ต, ติดกันอ ย, อย่างนั้นบังคับเอาทําเอาซะก่อนอย่างอื่นทิ้งไปหมดซะก่อนอะไรอะไรต้องไม่เอาทั้งนั้นจะเอาสติกับกจิตกับสมาอันกับคำบริกรรม สติกับคำวิริกรรมสติกับลมหายใจนี่แนบสนิทเป็นอันเดียวกันอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนเลยนอกจากเวลาเราเพลสติเท่านั้นยืนเดินด น, นั่งนอนทอําอย่างนั้นปัดกวาดเช็ดถูล้างช่วยล้างจานก็ทำอยู่อย่างนั้นสติกับลมหายใจให้มันแนบกันอยู่อย่างนั้นดิดติดกันอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อางนั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อยู่อย่างนั้น นั่นแหละฝึกอ่ะฝึกทำอยู่อย่างนั้นอย่างงานอย่างอื่นทิ้งไปหมดเสียก่อนแม้ไปทําก็ทําไปอย่างงั้นเนี่ยที่จริงเราจะทําเอาสมาธิเท่านั้นหากได้สมาธิแล้วปะโอ้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็อย่าเห็นแล้วลมหายกายไม่มีความเยือกเย็นเกิดขึ้นเย็นเป็นสมาธิเกิดขึ้นลมหายกายไม่มี เห็นตัวพุโทโธคือผู้รู้รู้รูู้อยู่เนี่ยเห็นจิตแท้ใจเดิมของเจ้าของตั้งต้อ ง, งอยู่นะตัวทิฏฐิจิตทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่เห็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลไปหมดผองใสสว่างสวัยครอบจักรวาลไปหมดเห็นเอกโกธรรมโนนี่โอ้ธรรมชาติมีหนึ่งเดียวเท่านี้ ต้นไม้ภูเขาเรากาสัตว์สาบสีทั้งหลายทั้งหมดในโลกไม่มีเตี่ยมสลายมาลายศูนย์เป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดเรียกว่าน้ากลองไชแตกไหมทีนี้ลมหายใจเคยหายใจเห็นลมหายใจยของอยู่ก็ไม่เห็นกายย่องเคยมีอยู่ก็ไม่มีลมหายกายไม่มีมี่แต่ความรู้ ร, รู้รูู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น กิจก็จะเข้าอยู่ในอารมณ์สองคือรู้รู้รู้เยาว่าเอกัดค้าตาลมอุเบคาเคยเชยอยู่แต่ยินเสียงอะไรอะไรเกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิพอได้ยินก็รู้อยู่แต่เฉยไม่นึกคิดปรุงแต่งตัวสังขารมาปรุงแต่งกิจไม่ได้จึงเรียกว่าวิสังขารกิจของเราก็วิสังขาร มีสังขาร น, นี่เนี่ยท่านเรียกว่าพระนิพพานอารมณ์พระนิพพานนั่นะเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างนี้ให้พากันรีบทําเอาฮะรีบทําเอานี่แหละถ้าสติกบลมให้ย่อวางออกจากกันก็รีบตั้งสติไหมนี่แหละวิริยะวิริยะบาลมีบาลมีคุณกุศลคุณงามความดีที่เราต้อง รีบสร้างให้เกิดให้มีขึ้นที่ตัวเราเนี่ยบาลมีธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายอันแรกก็คือสวรรค์แหละอันที่สองก็ภพมรโลกอันที่สามก็อรูปพมพอันที่สีก็พระนิพพานนะเป้าหมายอันสูงสุดมากันเล่งทาเอาเพียรทาเอา มันเก็บมันปวดก็แล้วแต่สติอยาให้หนีจากลมให้ใจก็แล้วกันแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นว่าสติเห็นว่าลมเบาลงก็รู้ว่าเบาเห็นลมหายก็รู้ว่าหายเฉยๆไม่ต้องไปค้นไปดึงขึ้นมาอีกเออให้เอาอยู่นะอย่างนี้นะทำอยู่อย่างนี้เอาแววมาก็ชํานิชํานานขึ้นมาทําอยู่ประจำเรื่อยๆก็เป็นนิสัยแล้วทีนี้ สมาธิเป็นเองอยู่เฉยๆก็เกิดสมาธิเป็นสมาธิอย่างที่อธิบายให้ฟังนะไม่ต้องออกถ่าออกทางออกพิธีเก้อเก้อกลางๆอะไรอีกกเป็นไปเองอยู่อย่างนั้นว่างเบา่าเดินก็เหมือนเดินอยู่ในอากาศเวี่ยหาแล้วนั่งก็เหมือนนั่งอยู่ในอากาศเบียหายไม่เคยเจ็บเคยปวดเดียวยืนก็เบาตนเบาตั ว, ตวสุขสบายอยู่นะั่นนะ ถ้าสมาธิมันเป็นเองนั่นแหละเครื่องอยู่ของสมณะสมถะนี่เป็นเครื่องอยู่ของสมณะเครื่องอยู่ของผู้ปฏิบัติไม่อยากไปดอกไปเ ท, เที่ยวนั่นเที่ยวนี่วัดนั้นวัดนี่ ไ, ไปดอกมีเครื่องอยู่แล้วมีวิหารรมทํทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเออให้ทาเอาเียดทำเอา อวันนี้ก็จะพูดเรื่องพระพุทธคุณฟังสักหน่อยคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสวดดูโส พ, พระขวา阿拉หังคุณที่เราสวดคุณธรรมคุณสังฆคุณไปให้ฟังโสพระขวาอ拉หังต拉หังมาจากเขา阿拉หันพระพุทธองค์ได้ทรงพระนามว่าพระ阿拉หัน ท่านได้เป็นพะะรอะอรหันต์เพราะอะไรท่านจึงได้เป็นพะะระอรหันต์ท่านทําอย่างไรต้องรู้จักไม่ใช่สวดไปเฉยๆพะะระอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงสุขได้สิ้นเชิงเรียกว่าพะะาระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วตนะความโลภความโกรธความหลงได้นะ ท่านจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันต์ท่านทําอย่างไรเพรเพราะว่าท่านเป็นผู้บริบูรณ์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์ศีลปราบกิเลสอย่างหยาบได้แก่โลกโกดหลงอย่างหยาบยาบออกจากจิตจากใจของพระพุทธองค์สมาธิ ปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ทำห้าตามะชนทะพยาบาททิณนามิทะอุทธะจักกุกุจจะวิกิกิชากิเลสอย่างกลางสมาธินี่นะปราบกิเลสอย่างกลางถ้าดับกิเลสอย่างกลางนิวรณ์ทำหาได้สมาธิก็เกิดเท่านั้นปราบกิเลสอย่างกลางอันจิตของพระพุทธองค์จึงสงบ ตสงบเป็นสมาธิขึ้นปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิตัวอุปธินี่เนี่ยคือกิเลสอย่างละเอียดเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตแต่สันดานของเราเรียกว่าอุปธิอุปธิวิเวกอุปธิปฏิก็มาจากอุปทานนะั่นอุปทานคันห่านะเราถือเอาคันห่า คิดเอาคันหาว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอยู่จนเข้าลึกไปถึงขั้วหัวใจนั่นแหละจึงเปลี่ยนเรียกชื่อว่าอุปธิเพาอุปธิคือกิเลสอย่างละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุใสนอนอยู่ในจิตสันดานของเราเปรียบเสมือนตะกอนนอนอยู่ในก้นตุ่มก้นองค์นี่แหละปัญญาจะมาปราบอันนี้นะ ออกจากจิตจากใจของท่านจากพระไทยของท่านท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาหนะีนฆ่ากิเลสอย่างหยาบมาธิปราบกิเลสอย่างกลางปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดจากพระไทยของท่านพระไทยของท่านจึงอิ่นกิเลสอิ่นอาสวะกิเลสอาสวะกิเลส ผู้ไกลจากกิเลสนีนะ่ท่านจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสท่นจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตัมมาสัมพุทธโธนี่รักที่สองอ่าสัมมาสัมพุทธโธตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแปลว่าตัดสรูชอบด้วยพระองค์เองพระองค์พระพุทธองค์ตัดสรูด้วยอะไรด้วย อริยสัจสี่พระพุทธองค์ตัดสลูด้วยอริยสัจสี่ตัดสลูด้วยตนเองได้ยินได้ฟังมาจากใครท่านเคยสวดอยูนะ่จากคงอุทธปาฏนะิแล้วสวดพากันว่าอยู่ญานังอุทธปาฏิปัญญาอุทธปาฏิวิชชาอุทธปาฏิอะโลโก อ, อุทธปาฏิตาได้เกิดขึ้นแกเราแล้วนะ การได้เกิดขึ้นผุดขึ้นแก่ล้วแล้วเกิดขึ้นแก่ล้วแล้วญาได้เกิดขึ้นแก่ล้วแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแก่ล้วแล้วอโลโกได้เกิดขึ้นแก่ล้วแล้วท่นในธรรมที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ามันผุดขึ้นอย่างนี้ว่านี่คือทุกข์นีกคือเหตุแห่งทุกข์ นี่คือความดับทุกข์นี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มันเกิดขึ้นมากับพระพุทธองค์เองอริยสัจสี่เกียตทุกขสมุทัยนี้ลดมากนะว่านี่คือทุกข cool ์เ pues นี่ยนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มันผุดขึ้นมาเองปัญญามันผุดขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเอง ไม่ได้ไปอ่านไปคน้นไปคว้าไม่ไปเรียนไปศึกษามาจากไหนนื่ว่าทุกข์นี่นี่แหละคือทุกขนะ์นั่นว่าโดยย่ออุปทานขันหานี่แหละคือทุกขนะ์ไม่ได้อยู่ที่อื่นดอกทุกขนะ์นั่นแะเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ไปยึดเอาขันหานั่นแหละความดับทุกข์ก็ดับขันหานั่นแหละไม่ยึดเอาขันห้าก็ดับทุกข์ได้ั้นไม่ยึดไม่ถือเอาขันหา้า ก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่านิโรธเท่านั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็คือสติปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนตัดฉลุนี่ิลมาสัมพุทโธโธได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอริยสัจสีนี่ไม่อยู่ที่อื่นอริยสัจสีมีอยู่ทั่นทั่ทุกตัวเราเนี่แหละในตัวเราเนี่แหละอริยสัจสี่พระพุทธองค์ก็เห็นอยู่ในตัวท่านนั่นแหละ พันผุดขึ้นมาที่ใจนั่นนะที่พระทัยของท่านนะท่านเห็นท่านรู้ตัดสรุด้วยอริยสัสีนะ่เนี่ยวิชาจรณสัมปนโนอ่าสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปนโนนัวิชาคือความรู้ความรู้ก็มีมากมาย ก, กายกองจากความรู้นั่นนะ มากมายกายกองแต่ย่นย่อลงมาเหลืออยู่อาสาวัควิชาเท่านั้นหรืออาสาวัคคยาญาณญาณสิ้นไปแห่งกิเลสอันอื่นไม่เกี่ยวเลยนะนอาสาวัคคยาวิชาหรืออาสาวัคคยาญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวักิเลสเท่านี้วิชาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงย่อลงมาอยู่แค่นี้ ถ้าเราท่านอยากดับอยากนั่นก็ศึกษาปฏิบัติให้มันได้ให้มันเกิดมันมีอาส า, ว, าวิคขาเนี่วิชาอื่นๆก็มีมากมายกายกองเช่นอุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตายานหรือจกักขุทิพงูทิพทิพโสโตรอะไรก็แล้วแต่วิชาพวกนั้น ก็เป็นวิชาวิเศษอยู่เหมือนกันแต่แต่ไม่สิ้นกิเลสมันเป็นโลกิยะญ า, าพวกนั้นเป็นโลกิยะวิชาคนสามัญธรรมดาก็ทำให้เกิดได้หูทิพตาทิพนี่หรือละลึกชาติได้จุดูปปาตญาาันบุเพนิวาสานุสติยาน บุเพนิวาสานุสติยานยานระลึกชาติได้ยานรู้อนั้นอนีนก็เป็นวิชาวิเศษอยู่แต่หากเป็นวิชาของโลกของโลกีโลจิยะวิชาอยู่เข้าใจอย่างนี้นะคนสามัญธรรมดาก็ได้ญานบุเพนิวาสานุสติยาน ดูปรารทะยานหรือิบตาทิพก็มีคนได้ลับอยู่แต่อาสาวัคคยวิชาหรืออาสาวัคคยาญาณ น, นี้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าและพระปฏจเจ้าเท่านั้นส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้รู้ตามเห็นตามวิชาจรณนะสัมปนโนที่นี้ก็จรณนะ เจรณธรรมจะลณ ะ, ะสัมป น, นูเรียกว่าจะลณธรรมธรรมเจะลณะแปลว่าเดินแปลว่าดําเนินแปลว่าจอนแปลว่าไปเจรณ ะ, ะธรรมธรรมที่ดําเนินเดินเข้าไปสู่วิชานี่ตัวสําคัญธรรมธรรมที่จะดําเนินเดินเข้าไปได้อาสาวรควิชาหรื อ, อยูตูปปาตยานหรือ บุเพณิวาสานุสติยานต้องมีเครื่องดำเนินเดินไปถึงจะไปถึงไปได้ไปเกิดไปมีขึ้นท่านเรียกว่าจรณะธรรมธรรมที่ดำเนินเดินเข้าสู่วิชานี้ก็ได้แก่ปีนสมาธิปัญญาเท่านี้ไม่มีอะไรนะสมาธิปัญญายินเราดีหรือยังรบริบูรณ์หรือยัง กายดีหรือยังวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังสมาธิเราเกิดเรามีเราเป็นหรือยังปัญญานนเนี่ยเจรณะธรรมธรรมที่ดำเนินเดินเข้าไปสู่วิวชาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านจึงได้ทรงพระนามว่าอาจรณ ะ, ะนะสัมปัโนโนสุขโตแปลว่าผู้ไปด้วยดี พันได้ชื่อทรงพระนามว่าผู้ไปด้วยดีไปจากอะไรละ่ะไปจากโลกิยาเนี่ยไปถึงโลกุตละด้วยดีไม่ได้ไปไหนหรอกไปถึงโลกุตละภูมิคือพระนิพพานนั่นนะไปด้วยดีไปจากขันห้านี่แหล ะ, ะไม่ได้ไปจากไหนหรอกไปจากทุกขทุกทั้งหลายก็คือขันหานี่ออกจากทุกนี้จากทุกข ไปด้วยดีถุกขัโตแปลว่าผู้ไปดีอ่าไปสู่โลกรุตระภูมิด้วยดีไปสู่พระนิพพานด้วยดีคำว่าไปดีแม้แต่ทางโลกท่านก็เป็นผู้ไปด้วยดีเหมือนกันท่านมาเกิดในตระกูลราชามหากระย์ประสูตรขึ้นมาเกิดขึ้นมาท่านก็ได้รับความสุขความสบาย ปราศาสตร์สามหลังมีพระมะเหสีเอกเป็นนางงามจักรวาลไม่ใช่จะย่อยนะนางพระนางยะโสธราพิมพานไปท่านก็เป็นราชามหากษัตริย์ท่านก็หนีออกจากราชสมบัติไปด้วยดีเนี่ยไปด้วยดีลูกเิ่งเกิดมาวันเดียวนะท่านก็หนีไปไปด้วยดี ไปเพื่อจะสละตุกันในโลกนีโลกมนุษย์โลกิยนันโลกิยะสุกนี่สุกอันน้อยนิดนี่ไปหาสุกอันบรมมาสุกเมื่อไปพบไปเห็นแล้วท่านจะได้มาโปรดเอาโลกเอาคนทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ให้ไปด้วยดีเหมือนกับท่าน เรียกว่าเป็นผู้ไปด้วยดีสุขะโตแปลว่าผู้ไปด้วยดีไปจากโลกุตตะละไปจากโลกียะไปสู่โลกุตตะละด้วยดีสุขะโตโลกวิทูเนี่ยได้ทรงพระนามว่าโลกวิทูคือผู้รู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งโลกไหนนะโลกก็มีสามแดนโลกกธาตุนี่เท่านี้ ตามมาโลกรูปโลกอรูปโลกนี่โลกกวีทูลู่แก่งซึ่งโลกรู้แก่งซึ่งโลกทั้งสามนี่นะตามาโลกท่านก็รู้ท่นก็ดับได้รูปโลกท่านก็รู้อรูปโลกท่านก็รู้ท่นดับโลกทั้งสามได้รู้แก่งซึ่งโลกยิ่งในทรงพระนามว่าโลกกวีทูรู้แจ่งซึ่งโลกท่านรู้โลกสามก็ อยู่ที่โคนต้นโพลคืนนั่นแหละวันนั่นแหละวันเพนเดนหกนั่ น, นแหละตัดสลูอยู่ที่นั่นนั่งอยู่ที่นั่นเห็นกามมเมลกก็เห็นขันห่านี่นะขันห่าหยาบหยาินะี่การมมคุณห่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนี่นะอย่ว่ากรรมเมลกุกรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพนะนี่ดับการมเมลกได้ไม่ได้ไปดับที่อื่นนะ่ะ ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในี่เนะี่ยตามมาโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมสงเคราะห์เขาเรียกว่าโลกภายนอกตนะาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใใจสงเคราะห์เขาเรียกว่า โ, โลกภายในนะี่โลกภายนอกกับโลกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าโลกเกิดโลกดับตามมาโลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับ กามื่อคุณห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับท่านก็มารู้แจ้งซึ่งกามมมโลกนี่นะดับกามมมโลกได้ด้วยสติปัญญารู้เท่าว่ามันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองอย่างนี้โลกเนี่งโลกเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้โลกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั่นท่านรู้จากหมดเพียงแต่ว่ามันทำงานเกิดขึ้นแล้วก็ดับ นี่นะท่านเห็นคุกในอริยสัจไม่ได้ไปเห็นที่ไหนหรอกท่านก็ดับลงตรงนี้นะดับโลกกรรมโลกเห็นว่ามันเป็นทุกข์คันห้ามันเกิดดับนี่แหละมันเป็นทุกข์ถ้าใครไปอุปทานเอาคันห้าไปแบกเอาโลกแบกเอาลมแบกเอาคันห้าเนี่ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เรียกว่าสมุทัยเท่านั้นอ่ ถ้าเราละขันห้าดับขันห้าได้ก็เรียกว่านี่โลดเท่านั้นนะ่ะความรู้สติปัญญามาดับนี่ก็เรียกว่ามรรคนี่ไม่ได้รู้ที่ไหนรู้แจ้งซึ่งโลกอ่ะโลกก็วิถีขึ้นไปทางนั่งสมาธิจิตสงบไปเลยโลกนี่ไปขึ้นพร ม, มโลกเนะี่ยรูปพรมใช่ไหมนั่งสมาธิจิตสงบอืมว่างอ๋อ เรียกว่ารูปชาญรูปชาญสีอะรูปชาญสีท่านก็รู้ว่ารูปชานนี่ก็ยังเป็นขันห้าอยู่ยังเป็นโลกอยู่โลกขั้นละเอียดอารูปชานก็โลกขันประนีตท่านก็เห็นชานมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไตรักยานในชาญไม่ได้มาติดอยู่ในชาญ ถ้าติดอยู่ในฌานก็เรียกว่าอารัมมนูปนิจฌานอิดในรูปฌานอรูปฌานท่านจึงเห็นฌานีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นใตรักยานในฌานยึ่งเบื่อหน่ายในฌานไม่มาถือเอาว่าฌานเป็นตนตนเป็นฌานฌานมีในตนตนมีในฌานไม่มายึดมาถือเอาว่า เราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเราเป็นเรามีอยู่ในสมาธิสมาธิมีอยู่ในเราอย่างละสีละสี่นั่ทิฏวิปริติปราสห้าสี่ยี่สิบกะอขันหานท่านเห็นไตลักยานในฌานในสมาธิเรียกว่าลักขณูปนิจฌานท่านจึงดับรูปราคะอรูปราคะได้ ดับโลกทั้งสามได้โลกบกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกรู้ว่าโลกทั้งสามนี้ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติกฎธรรมดาเข้าใจไหมธรรมดาธรรมชาติหรือธรรมดาจะมาแก้ไขธรรมดาไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปธรรมดาธรรมดาคือมันจริงความจริงนั่นแหละคือธรรมดาคือสัจจะคือความจริงนั่นนะ เราจะมาแก้ไขความจริงไม่ได้อันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้มันเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้มาแก้ไขความจริงนี่ไม่ได้อ่านก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติวางทิ้งเสียธรรมดานะ่ยคือความจริงคือสัจจะคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับอ่านไม่มาแก้ไขธรรมดา ของจริงมันแก้ไม่ได้ท่านก็ปล่อยไปปล่อยโลกทั้งสามทิ้งไปรู้ว่าโลกทั้งสามมันตกอยู่ในกฎใจลักคน์กฎธรรมดาธรรมชาติมันเป็นจริงของมันอยู่อย่างนี้มาเกิดแล้วก็มาเอาทุกอยู่อย่างนี้มันทุกอยู่อย่างนี้ท่านจึงโลกาวิถูได้สมพระนามว่าโลกาวิถูเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกงาโลกสามสามแดนโลกธาตุ กามาโลกลูบโลกลูบโลกเออนี่มันวนเวียนเป็นอันเดียวกันหมดนะถ้าใครเขางลงไปเห็นจุดนี้แล้วพูดไปไหนก็ถูกอันเดียวกันหมดนั่นแหละน ะ, อ, ะอนุตตโลปุรีะสะตัทธาลติได้ทรงพระนามว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษอนุตตะาะแปลว่ายอดเยี่ยมเป็นผู้ฝึกบุรุษ และสติอย่างยอดเยี่ยมเป็นสาลถีสาธถีนะ่งสาลถีโอ้ฝึกบุรุษสติอย่างยอดเยี่ยมฝึกได้แล้วไม่กลับกอกอีกจึงเรียกว่าอนุตตละอนุตลตลโอแปลว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยังไงสอนฝึกให้คนเป็นพระโสดาบันนี่ สอนบุรุษและสตริฝึกบุรุษและสตรีให้ละสักยทิฏฐิวิกิกิชฌาได้เป็นพระโสดาบันแล้วอิทของพระโสดาบันไม่กลับกาะอีกเรียกว่าตะกุปะทัมโมไม่กลับกาะอีกเป็นพระโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดในอบายภูมิจึงเรียกว่ายอดเยี่ยมฝึกให้คนเป็น พระสกิทาคามีอนาคามีและพระละหันอได้แล้วไม่กลับกอกอีกทําไม่กลับกอะอีกเรียกว่าอนุตตะละอนุตตโลโุริศาสตร์ฝึกบุรุษและสตรีอย่างยอดเยี่ยมสา่ลทีผู้ฝึกช่างฝึกมา้าฝึกไว้หน่อยแม่แต่ฝึกวัวควายลากเวียนไถนานี่ยนานๆไม่เอาไปใส่คาดใส่ เวียนมันก็หลงก็ลืมกับเกอกฝึกสร้างสารถีฝึกช่างฝึกมาก้าฝึกหัวฝึกควายมันก็กลับกอกได้ไม่ยอดเยี่ยมเอาเอาช่างเอาม้ามาฝึกนานๆแล้วไม่ฝึกไม่ซ่อมมันก็หลงมันก็ลืมกลับเกอก อ, อีกสําหรับพระพุทธองค์ฝึกอุรุษและสติให้เป็นพระอริยะบุคคลสี่จำพวกไม่มีการกลับเกอก อ, อีก จึงเรียกว่าอนิจตโลภุลิสะตถาเทวะมนุษย์สานนงเป็นทรงพระนามว่าเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาพระพุทธองค์เป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาตอนบ่ายมาก็มีญาติโยมเข้าไปฟังเทศฟังธรรมนับเป็นหมื่นเป็นแสนข้่มมาก็สอนพระอาวุธ ดึกขึ้นมาก็สอนเทวดาอินพรมต้องมากราบพระพุทธเจ้ามาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าหมดยิงว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเทวดาและมนุษย์เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ในสามแดนโลกธาตุนี่ยอยู่ใต้อำนาจของพระพุทธเจ้าหมดบ่มยมยัก ต้องมาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าสอนหมดตถาเทวมนุษย์สาหนังจึงทรงพระนามว่าเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์พุทโธพระพุทธองค์พุทโธได้ทรงพระนามว่าเป็นผู้รูนะ้พุทโธคือผู้รู้รู้รเหมือนกับเราเขานั่งสมาธินี่นะ จิตเป็นพุโทโธแล้วก law law ็มีความรู้รู้รูู้อยู่นี่ยพุทโธพุทโธคือผู้รู้รู้รูอยู่นี่ยถ้าจิตเป็นพุทโธจิตเข้าสมาธินั่งสมาธิเป็นพุทโธแล้วเป็นผู้ตื่นถ้าจิตสงบเป็นพุทโธจิตเราจะตื่นอยู่สติเราจะตื่นอยู่ตลอดนะไม่ง่วงเหงาห้านอนนะตัวก็ต้องใจก็ต้องใจก็ต้องตื่นอยู่อย่างนั้น อ่าเรียกว่าพุโทโธเป็นผู้รู้รู้รูอยู่ <c oughs> เราเห็นพุโทโธในสมาธินี่เนี่ยพุโทโธไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านไม่ได้ผูกขาดเอาไว้ดอกพุโทโธพุโทโธก็ ผ, ผู้ผู้รู้เนี่ยสิ่งสถิตอยู่ที่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานอยู่ในธรรมชาติที่เราเห็นอยู่นั่นแหละ ตื่นอยู่มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดผู้เข้าสมาธิไม่ง่วงเหงาห้าวนอนเบิกบานอยู่ในธรรมชาติความว่างสว่างฟองใสเบิกบานอ ย, อย่างนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยึ่งทรงพระนามว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุดท้ายก็คือพระควาพระคาวาบเมนพระคาวาด ทำไมพ้อยหลังไปนี่เราจะเห็นพระคาวาคนเท่าคนแก่ฟังเทศไม่เข้าใจทาเป็นรูปพระเสียเคาะไปนะเสียเคาะสะดอกเคราะเสียรางเสียเคราะทำพระคาวาไปแฝนไปที่วัดพระคาวาหมายถึงเอา วาดลูกเป็นพระพุทธลูกเป็นพระพุทธเจ้ายาวข้าแค่วาเจ้าของนี่พัก ว, ว่าไว้นวน่ะพักว่ากันภาษาเล่าเร็วๆพักว่วาโตเน่าท่อโตเจ้าของนี่ข้าว่าเจ้าของนี่วาดเป็นลูกไปถ้าทำอย่างนี้เป็นการเสียเคราะห์วาดอย่างนั้นนะคนโบราณไม่เข้าใจ แต่ดอกเคาะถ้าเจ้าของอทุกยากแค้นเขียนใจหรือมีความลักําบากอะไรหรื อ, อมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีก็วาดลูบพระขวานไปถวายหลวงปู่หลวงตาอยู่ไว้ที่วัดแฝนไว้ตามเสาเราก็ไม่รู้จากดอกแต่กอนเราก็ไปถามว่าอะไรเนี่ยพระควานโตน ว่าอย่างนั้นนหะพระคาว่าพระคว่โตพระคว่าโตพระคาว่าเจ้าของว่าเจ้าของเงี้วสูงคาวา่าตัวเท่ากับโตเจ้าของผู้ป่วยนั่นแหะผู้ป่วยผู้เป็นโรคอันนั้นอันนี้ผู้ไม่สบายจิตสบายใจท่านจึงให้ทำพระควาไปถวายไว้ที่สารากุติ ที่หลวงปู่หลวงตาอยู่ตามวัดตาวาน่ยอันนั้นเป็นพระขวาต่างหากเป็นคำความเข้าใจผิดพระควานี่แปลว่าเป็นผู้จำแนกเกกธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงพานามว่าพระควาเพราะพ่านเป็นผู้จำแนกเกกธรรมคำทั้งหลายที่พระพุทธองค์เอามาจำแนกเกจ ให้เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามได้แก่บาลมีสิบทัตทานบาลมีศีลบาลมีเนคขมะบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีปัญติบาลมีไม่ได้อยู่ที่ไหนอุตสาหบาลมีสัจจาบาลมีอุตสาหบาลมีอุเบกเมตตาบาลมีอุเบคาบาลมีท่านจำแนกแก่ ทำคือบาลมีทำบาลามีสิบทัศแยกออกเป็นบารมีอย่างธรรมดาอย่างปกุกจิตขึ้นไปอย่างพิสดารขึ้นไปเรียกว่าอุปสัรบารมีปรมัดทบารมีตานอย่างเอาสามไปคูณสิบก็เป็นบาลมีสามสิบทัศ ต, ต้นมันจะมีสิบทัศพระครวญเป็นผู้จำนแนกเกจทำทำทั้งหลาย คือบาลมีธรรมเนี่ยแจกให้เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาศึกษาเตขะนะศึกษาแปลว่าศึกษาเตคขะเสกขาธรรมะอเสกขาธรรมะเนวเสกขานาเสกข้าธรรมะที่เราสวดไปน่พระเสขาบุคคลเกดจำพวกผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่ ได้แก่พระโสดาบันสองพระสกีทาคาสองเป็นสี่พระอนาคามีสองเป็นหกพระ อ, อลรหัตมรรมะกำลังเดินมากของพระละหันอยู่กําลังปฏิบัติกําลังศึกษาอยู่แต่ยังขาดแปลว่าศึกษาแปลว่าปฏิบัติไม่ใช่ไปเล่าไปเรียนไปอ่านนะคําว่าศึกษาอือผู้ปฏิบัติอยู่แยกให้คนปฏิบัติ กู้กำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เจ็ดจำพวกอัสดาบันสกิตาคามีอนาคามีและอัหัตต์อัลหัตตมัตตรวมเป็นเจ็ดเสขบุคคลมีเจ็ดจำพวกอัเสขบุคคลก็คืออัลหัตตผลได้เป็นพ้าล่หันแล้วไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติก็ได้หยุหลุดพ้นจากขันห้าแล้วดับขันห้าได้แล้วนะ ต้องเข้าใจอย่างนี้จำแนแกแจกธรรมเป็นได้ทรงพระนามว่าพระขวารแปลว่าผู้จำแนแกแจกธรรมทำทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเท่านั้นพูดไปบา ร, รมีสิบทัศสามสิบทัดก็กว้างขวางเกินไปจำแนแกแจกธรรมให้เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอืู่ไม่ได้แจกอยู่ที่อื่นแจ ก, กกายกับใจนี่แหละทำทั้งหลายนี่ พูดมันกว้างไปเฉยๆดอกบารมีสามสิบทัศนเขาย่นย่อลงมาเหลืออยู่ทานศีลภาวนาเท่านั้นแหละเออถ้าใครจบบารมีสามสิบทัศก็ได้เป็นพระลาหันอืมถ้าใครท่องไม่ได้จําไม่ได้ก็จําเอาแค่ว่าเอาบารมีสามสิบทัศนี่ย่อลงมาเหลืออยู่สามทัศคือศีลสมาธิ ป, ปัญญาหรือทานศีลภาวนาเท่านี้ หรือทานศีลภาวนามันยากหลายก็เป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี่ทำทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่ลูกหนึ่งนามสี่หือขันห้าย่อลงมาเรียกว่ากายกับใจเท่านี้เรียกว่าลูกธรรมนามธรรมนี่แจกธรรมท่านไม่โดยแจกที่อื่นแจกกายจะของออกดูเนี่ยแจกธรรม แจกลูกธรรมออกดูลูกธรรมก็คือลูกกายกายเจ้าของก็มีอยู่มีประกอบขึ้นไปด้วยธาตุสี่นี่แหละดินน้ําลมไฟแจกดินแจกน้ําแจกลมแจกไฟออกมาดูเบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจท่านจึงไม่ให้แจกท่านจึงให้แจกออกดูเพื่อให้หายโง่ให้หายหลงอวิชารู้ไม่จริงน่ะ หลงว่ากายนี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่หลงว่ารูปธรรมนี่แหละอออทานจึงให้จำแนกแกกธรรมออกรูปธรรมนามธรรมนี่แจกกายกับใจออกกายก็แจกออกเป็นธาตุาสีนั่นดินน้ำลมไฟนั่นเพราะอย่างที่อธิบายให้ฟังแจกแล้วก็ถามดู ดินเป็นคนหรือนั่นคนเป็นดินหรือดินมีในคนหรือคนมีในดินหรือไหนคนอยู่ไหนแหละที่เขาเอาเรียกว่าคนคนอยู่ที่ไหนแยกออกดูทีนี้เอาน้ําน้ําเป็นเราหรือใช่ไหมเนี่ยถามเจ้าของดูน้ําเลือดน้ำหนองน้ําเหลืองสิบสองอย่างนั่นนะเป็นเราไหะน้าเนี่ยเออน้ําเป็นเราไห ม, เ, ม, เ, เ, รไหมเราเป็นน้ํำนั่นไหม น้ำมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในน้ํานั่นไหมเรากับต้นก็คือคนเดียวกันนะ่ะเรียกคนละจำนวนภาษาเฉยๆจำนวนของพสูตรเฉยๆเรียกแทนกันได้ตนกับเรานะี่ยคืออันเดียวกันใบพัดเดียวกันเรียกแทนกันได้ให้เข้าใจอย่างนี้ถามสี่คำถามถามอย่างนั้นแยกออกแจกธรรมนี่แกจกอย่างนี้แจกธรรมถ้าไม่เข้าใจไปแจกได้ยังไงนี่ พระว่าเป็นผู้จำแนกเกลี่ยทำทำทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจก็แก่กายออกก่อนเนี่ยถ้าดินน้ำลมไฟไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องขึ้นถ้ายังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาก็แยกออกดูอย่างนั้นแหละแยกออกดูอย่างนี้จึงจะได้เป็น พระควาเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้ามันแกกจกหยบยาไม่ออกก็แยกดินมีอยู่ยี่สิบอย่างแยกออกน้ำมีอยู่สิบสองอย่างแยกออกเ อ, อน้ำเลือดเป็นเราไหมเราเป็นเลือดไหมเลือดมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในเลือดไหมอ้ามดูอยู่งี้แยกออกดูอยู่งี้นี่พระควาจำแนกเกศทำใจก็คือน้ำสีนั่นแหละ พิธนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกใจออกมาเป็นนามสีนี่แยกแยกใจออกมาเป็นจลนาจิตจิตมีแปดสิบเก้าดวงจิตร้อยี่สิบดวงจิตเจ็ดสิบห้าดวงอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นจลนาจิตเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาอาการของจิตถอดจลนาจิตออกหมดถอดเจตสิกออกมด ก็เหลืออยู่ตัวพุโทโธตัวเดียวท่านนี่แหละแจ ก, กทำจำแนกแกกออกจิตพวกนั้นเป็นจรณะจิตจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตสมุทัยจิตสมมติเฉยๆจิตปฏิรูปจิตปลอมจิตเทียมเฉยๆไม่ใช่จิตแท้ใจเดิมของเราต้องแยกออกมาให้เห็นนี่แหละจำแนกแจ ก, กทำแจ ก, กออกแล้วก็มาเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ย อิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าอัญญะมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งรูปกกนามยิงอาศัยกันเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่อย่างนีออ้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นนั่นอันห้านามสีรูปหนึ่งนามสีไม่มีสัตว์บุคคลใจของเราก็ทาดออกมาหมด ฉันเห็นว่ามันว่างจากสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลใจก็เป็นใจล้วนล้วนน่จิตก็เป็นจิตล้วนล้วนจิตไม่มีเจ้าของขันห้าก็เป็นขันห้าล้วนล้วนขันห้าไม่มีเจ้าของนี่เดสมมุติชื่อว่าขัน ห, าห้าเฉยเฉยให้เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าพักขาวานี่แหละพักขาวาวไม่ใช่ว่าพักขวาโต พระค่าว่าตัวไปวัดไหนก็เห็นพูดเท่าว่ารูปภาพแค่ว่าเจ้าของไปแขนไว้ที่วัดว่าเสียเคราะห์เสียเขินเก็บไข้ได้ป่วยก็จะหายบางที่หายจริงๆนะเขวาว่าคนเท่าคนแกลว่าพระควา่พวาพระควา่าว่าอย่างนั้นนะนี่พระค่าว่าน ะ, ะจะแน่แจกทำว่าแล้มีทำ แก่กายกับใจแจก่รูปกับน้ำรูปทำนม้มทำทำทั้งหลายย่นยอ่อลงมาอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปสงสัยดอกพูดไปมากๆก็ยอ่อลงมาเหลืออยู่รูปทำน้ำทำนี่เท่านี้เออท่านจึงว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยกายในกายก็คือรูปนั่นแหละเห็นรูปอยู่ครองนั่นแหละ พี่ท่านนายจิตก็คือน้ำหนึ่งเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นขันห่านี่ลูกธรรมนามธรรมนี่มันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานี่ลูกธรรมนามธรรมขันห่านี้ยังไม่แก้ไขธรรมดานี่ปล่อยทิ้งให้เป็นอริยสัจเป็นทุกขษัจเนะี่นเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรูปนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแจกออกดู จนรู้เท่าเข้าใจไอ้วันหนึ่งวันหนึ่งลูกทำน้ำทำเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับตรงตัวอยู่อย่างนี้ลูกทำน้ำทำเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นสันตติสืบเนื่องสืบต่อกันอยู่อย่างนี้นอกจากเวลานอนหลับสันท่าจึงจะหยุดทํางาน นอนหลับบางทีสะดุ้งตื่นขึ้นนิดหน่อยมันก็ฝันขันห้าก็ทำงานอนะีกน่ะความฝันนะั่นแหละคือขันห้าทำงานเออให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จึงจะหายโง่หายหลงดับอวิชชาได้อาสาวัคคยาญาณญาณสิ้นไปเหงอาสาวกิเจศคือกามาสวะปวาสวะ อิวิชาสวะเอ่อวิชชาคือความโง่ความหลงนี่แหละดับอวิชชาได้กรรมมาสวะก็ดับภาวาสวะก็ดับอวิชชาปัญญายสังขารนี่จิตหลงขันห้าจิตหลงสังขารนี่แหละไม่รู้เท่าสังขารนี่แหละยิ่งมาถือเอาอุปทานเอาขันห้าอยู่อ่าก็เกิดกรรมขึ้นมาเนี่ยกรรมมงคลห้าก็เกิดเกิดรักเกิดชั่งขึ้นมา ก็เรียกว่าตัณหาเนี่ยกามาตัณหาเพราะว่าตัณห า, า, า, หาเออไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยหันห้าเกิดแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันดับแล้วเนี่เออถ้าเราไม่ยกขึ้นใส่ทุกข์ในอริยสัจสี่นั้นนะมันถึงจะดับได้ถ้ามันเกิดดับแล้วมันไม่ดับมันไปอารมณ์ไปรูปเสียงกลิ่นรสไปค้างอยู่ที่ใจของเราอยู่ ก่ใจก็คิดปรุงไปต่ออีกปรุงแต่งไปอีกว่าลูกสวยลูกไม่สวยเสียงดีไม่ดีก็เกิดความโลภความโกรธมันก็เกิดแค่นี้นะแยกทําออกแยกทําออกเนี่ยเกิดความโลภความโกรธความโลภโลกรธขึ้นก็ลาคานุสัยตามนอนเนี่ยวิ ช, ชาเนี่ยอ่ตัวนี้แหละปัญญานี่รู้เท่าว่ามันเกิดมันดับไม่ไปยึดไปถือเอา มันเป็นสังขารมันไม่เที่ยงถ้าหลงว่ามันเที่ยงอยู่มันเกิดแล้วไม่ดับนั่นแหะอวิชารู้ไม่จริงไม่ไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วมันรีดเอามาอุบาทานเอาครั้งสังขารนั่นแนหะก็เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยเท่านั้น น, ะนี่แหละอริยสัจสีไม่ได้อยู่ที่ไหนเกิดกา ม, มาสะวะขึ้นมานั่นแหละเออ อาสวะคือกามอยากได้กามอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหะถ้าเห็นรูปไม่สวยเสียงไม่ดีขึ้นมาก็เปื่อในขัดข้องขัดใจก็เรียกว่าภวาสวะเพราะเคยโกรธคือกระทบกระทั่งตัวปฏิคานุใสก็ตามนอนนี่แหละภาวาสวะกับราคานุใสก็อันเดียวกันเออ ตารมาสวะกับลาค้านุสัยยินดีพอใจในกามอันเดียวกันนะั่แหละลาค้านุสัยก็าตามนอนขัดข้องไม่ยินดีไม่พอใจก็ปฏิคานุสัยตามนอนก็เรียกพราว่าสวะความรู้ไม่จริงไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดดับอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชาสวะเท่านั้นดับอาสวะกิเลสได้เนี่ยนี่แหละไม่ได้ไปดับอยู่ที่ไหน ตามมาสวะพระวาสวะอภิยาอวิชาสวะนะั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ อ, อยู่ที่เรานี่หมดอืมแต่เราไม่ขุดไม่คน้นไม่ปฏิบัติไม่แสวงหาเฉยเฉยไม่มีครูไม่มีอาจารย์บอกอาสาวัคขวิชานอาสาวัคคายาณยานสิ้นไปแห่งอาสาวักิเลส น, ะนี่แหละยานความรู้เท่ารือวิชา ยู้เท่าสังขันหรือยอดเงียวิชาก็ดับอาสวะได้อา้าดังแสดงมาก็สมควรแจวเวลาเอวังไม่ได้อยู่ไกลดอกอาสวักิเลส <c oughs> คงคิดยากอยู่ว่ามันอยู่ไกลแค่เอื้อเหมือนลุงตามหาบัวเทศไหมทเนียฮะแค่เอื้อมไหมเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยออ เอามาแจกให้ฟังละลายให้ฟังมันอยู่แค่เอือบอาสาวะขยายานยานสิ้นไปเหงอาสาวะกิเลตดับขันห้าได้ทีเดียวด้อพึ่งเลยใช่ไหมยองโกะนะสงบทั้งไหมล่ะวันนี้เออดีดีดีดีดีเป็นยังไงล่ะแม่ทองพูนออเออาว่าสงบก็บฟั่งเทิล่องตาไปเรื่อยเออ ฟัง้งไปเอาแวมาคิดมันว่าออกนี้จากท่ำกับสงบคิดว่าออกจากเสียงเทศคิตกับสงบเองมาร่วมอยู่กับเสียงเอาไววมากกับว่คิดส่งไปทางนอกคิตกับว่างล่องเองเอาแวามา